พระองค์เล่าว่าตอนที่พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตรัสรู้ก่อนแต่การตรัสรู้พระองค์ได้มีความคิดอย่างนี้ขึ้นว่าปริวิตกก็คือความคิดขึ้นว่าถ้ากะไรเราพึงแยกวิตกออกเป็นสองส่วนแยกวิตกวิตกก็คือความตรึกความคิดเนี่ยนะแยกความคิดแยกวิตกออกเป็นสองส่วนดูก่อนพิสูจนทั้งหลายเรานั้นจึงแยก اء, อกุศลวิตกขึ้นว่านี้กาม ว, бо, วิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกออกเป็นส่วนที่หนึ่งและก็แยกกุศลวิตกคือเนคขมวิตกอัพยาบาทวิตกและอวิหิงสาวิตกออกเป็นส่วนที่สองเรียกว่าจําแนกเลยวันนี้เป็นกุศลนี้เป็นอกุศลวิตกอันนี้เป็นธรรมดาอันนี้เป็นมิจฉาปฏิปทาอันนี้เป็นกุศลวิตกอันนี้เป็นธรรมขาวอันนี้เป็น สัมมาปฏิปทาเนี่ยนะก็แยกออกมาแยกความคิดว่าเออคิดอย่างนี้คิดถูกนะคิดอย่างนี้คิดผิดคิดผิดมีกี่อย่างเนี่ยนะคิดผิดก็คือคิดคิดด้วยกามวิตกคิดด้วยพยาบาทคิดด้วยวิหิงสาถ้าตรงกันข้ามคิดถูกเนี่ยเป็นสัมมาสังกัปปะก็เป็นเนฆามะเนี่ยนะคิดน้อมเพื่อให้กุศลธรรมเจริญงอกงามยิ่งยิ่งขึ้นไปคิดด้วยเมตตาคิดด้วยกรุณาเนี่ยนะลักษณะนี้เป็น สัมมาสังกัปปะเนี่ยนะเป็นความตรึกที่ถูกต้องเป็นกุศลไม่มีโทษและให้ผลเป็นความสุขนั่นเองในอัตกถาอธิบายเพิ่มเติมว่าบทว่าเทวทากตวาเวทากตวาเนี่ยนะเรียก ว, ว่าจำแนกให้เป็นสองภาคหรือว่าสองส่วนคำว่ากามมวิตกก็คือวิตกที่ประกอบด้วยกาม ก็วิตกที่ประกอบด้วยกามก็คือวิตกที่เกิดร่วมกับโลภะมูลจิตแดวงเรียกว่ากามวิตกวิตกะที่เกิดร่วมกับโลภะทั้งหลายเรียกว่ากามวิตกส่วนวิตกที่ประกอบด้วยโทสะหรือระาปองร้ายอันนี้เป็นพยาบาทวิตกเป็นความตรึกเป็นวิตกที่เกิดร่วมกับโทสะเป็นไปกับโทสะ ส่วนวิตกที่ประกอบด้วยความเบียดเบียนอันนี้เกิดร่วมกับโทสะอันนั้นก็ชื่อว่าวิหิงสาวิตกนีนะกามวิตกก็คือโลภะแดพยาบาทวิตกก็คือโทสะสองวิหิงสาวิตกก็คือโทสะอีกนั่นแหละบทว่าเอกังพาคังเนีนะเอกังพาคังก็แปลว่าแยกกุศลวิตกเหล่านี้ออกเป็นส่วนที่หนึ่งภาคก็คือส่วนนะเอกังก็คือที่หนึ่ง ความว่าวิตกนี้แม้ทั้งหมดทั้งภายในทั้งภายนอกคือหมายคำว่ามันจะเกิดขึ้นปรารภ บ, บริภารภภายนหรือปรารภภายนอกเราเองเป็นอกุศลวิตกหรือคนอื่นเป็นก็ตามอากุศลวิตกเหล่านั้นจะหยาบหรือจะละเอียดก็ตามมันก็อยู่ในฝักฝ่ายแห่งความโง่ขเขลาฝักฝ่ายแห่งการทาลายกุศลอกุศลวิตกก็คือสิ่งที่ทำลายกุศล ถึงอย่างไรอกุศลวิตกก็อยู่ในฝักฝ่ายแห่งการทําลายกุศลนั่นเทียวเพราะเกิดจากความไม่ฉลาดเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนื่องจากพระองค์เห็นว่าอากุศลวิตกทั้งหมดมันจะเป็นภายในเป็นภายนอกมีอารมณ์เป็นภายในอารมณ์เป็นภายนอ ก, อนนอนนอกวิตกเหล่านั้นจะคิดเรื่องละเอียดหรือเรื่องหยาบก็ตามก็อยู่ในฝ่ายอากุศลก็เลยจําแนกออกวันนี้กามวิตกนี้พยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกทั้งสานี่ออกเป็นส่วนที่หนึ่ง เป็นการมวิตกความตรึกทีประกอบไปด้วยการมชันทะประกอบกับโลภะพยาบาทวิตกวิเหงสาวิตกก็คือความตรึกนึกคิดที่ประกอบไปกับโทสะหรือว่ามีโทสะเป็นรากเป็นมูลการมวิตกก็คือวิตกที่มีโลภะเป็นรากเป็นรากเง่าเนี่ยนะเป็นรากเป็นเง่าเป็นเข้าเป็นมูลเป็นเป็นตัวอุปธรรมหลักเลยแหละ ส่วนพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกนั้นเป็นความตรึกที่มีโทสะเป็นมูลเป็นรากเง่าเป็นต้นเขาหรือว่าเป็นปัจจัยส่วนตรงกันข้ามวิตกที่เป็นกุศลที่คือเนกขมวิตกอับพยาบาทวิตกและก็อับวิหิงสาวิตกที่เป็นส่วนที่สองเนี่ยนะที่เป็นกุศลธรรมทั้งหลายบอกว่าวิตกที่สลัดออกจากกามทั้งหลาย เป็นวิตกที่ประกอบด้วยเนคขมมะอันนี้ชื่อว่าเนคขมมะวิตกเป็นความคิดที่ออกจากอากุศลเนคขมมะเนี่ยแปลปว่าความคิดที่ออกจากอากุศลเช่นว่าเห็นแล้วเกินว่าราคะนิเศร้ามองความคิดที่นำออกจากราคะความคิดอันนั้นเป็นเนคขมมะว่าจะออกจากราคะอย่างไรออกจากความติดใจในวัตถุกรรมด้วยกิเลสกรม อย่างไรไอ้กิเลสกรรมเป็นตัวที่ติดข้องในวัตถุ ก, กรรมจะออกจากอากคุศนธรรมเหล่านั้นได้อย่างไรคือจะออกจากตัณหาได้อย่างไรจะออกจากความติดความข้องได้อย่างไรคุณธรรมที่นำออกจากโลภะอันนั้นเรียกว่าเนเขมะคุณธรรมที่นำออกจากอากคุศลทั้งหลายอันนี้แหละเรียกว่าเนเขมะเนเขมะอันนี้เนี่ยท่านบอกว่าเริ่มเบื้องต้นจนถึงปฐมฌาน หมายคำว่ากุศลธรรมที่เจริญขึ้นเจริญขึ้นจนได้ระดับปฐมฌานจะมาจากอสุภกรรมฐานก็ตามจะมาจากกสินสมาบัติเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามก็ชื่อว่าเป็นเนคขมะวิตกเขาเป็นกุศลธรรมที่ออกจากออกจากกามนะนะออกจากตัณหาออกจากโลภะหรือทําตัณหาให้สางสาลงทําโลภะให้ให้ลดลงะนะการทําโลภะให้ลดลงสางซาลงอันนั้นแหละที่เรียกว่าเป็น เนคข ม, มวิตกส่วนอัพยาบาทวิตกเนี่ยนะวิตกที่ประกอบด้วยความไม่ปองร้ายไม่ปองร้ายไม่ใช่ว่าศักแต่ว่าถ้าหากว่าอ่ะตัวนั้นแปลว่าไม่เฉยเฉยเนี่ยนะไม่ถูกไม่ใช่วศักแต่ว่าปฏิเสธเพราะอะไรเพราะว่าจากักขูวิ ญ, ญญาณมีโทสะประกอบไหมจกักขูวิ ญ, ญญาณก็ไม่มีโทสะนะขณะที่โลภะเกิดก็ไม่มีโทสะขณะที่โลภะเกิดก็ไม่ปองร้าย ขณะที่กุศลอื่นๆทั่วๆไปเกิดก็ไม่ชื่อว่าปองร้ายเป็นอัพยาบาทหมดแหละว่างั้นเถอะแต่นี้ไม่ใช่อัพยาบาทแปลว่าคุณธรรมที่ดับความปองร้ายคุณธรรมที่ดับพยาบาทเรียกว่าอัพยาบาทฆ่าศึกต่อพยาบาทสิ่งที่ทำลายพยาบาทกุศลธรรมที่กำจัดความพยาบาทเรียกว่าอัพยาบาะ อะตัวนั้นเนี่ยอะปฏิอะแบบแหมค่าศึกเลยนะคือหมายเขาว่าถ้าอย่างเช่นพยาบาทเปรียบเหมือนกับยาพิษนะอ่ะอัพยาบาทก็เหมือนกับยาระงับพิษอ่ะนะยาดับพิษยาคลายพิษเพราะว่าอย่างพยาบาทคือโทสะอับพยาบาทคือเมตตาเนี่ยซึ่งมันห่างกันมากนะถ้าอย่างพยาบาทเหมือนกับ ไฟที่มันกำลังเร่าร้อนลุกร้อนอับพยาบาทก็เหมือนกับสายน้ำที่ตกลงมาราดไฟอะ่ะแล้วก็ดับไฟพะะนันอับพยาบาทนั้นคือคือน้ำที่ดับไฟคือโทสะท่านบอกว่าเป็นเหมือนกับน้ำที่ดับไฟคือโทสะเลยเรียกว่าอับพยาบาทพยาบาทเนี่ยนะตัวตัวพยาบาทวิตกเนี่ยเป็นความคิดที่มุ่งทำลาย นะมุ่งทำลายมุ่งมุ่งความเสียหายมุ่งทำลายประโยชน์ของเขามุ่งทำลายความสุขของเขามุ่งใครเรียกว่ามุ่งสร้างแต่ความเสียหายนั่นเป็นลักษณะของพยาบาทส่วนอัปพยาบาทตรงกันข้ามหวังประโยชน์หวังความเกื้อกูลหวังความสุขหวังความเจริญให้อันนั้นเป็นอัปพยาบาทอัปพยาบาทนั้นเป็นเมตตาหวังประโยชน์หวังความสุขเข้าไปให้แต่ถ้าโทสะตรงกันข้าม โทษะเนี่ยวังทำลายประโยชน์วังทำลายความสุขวังทำลายความเกื้อกูลสร้างสร้างแต่ความเสียหายถ้าบอกว่าเปรียบเหมือนอย่างว่าป่าเนี่ยนะถ้าต้นไม้คือป่าเนี่ยเต็มไปหมดเลยไฟเข้าไปสู่ป่าเนี่เพื่ออะไรไเพื่อทำลายป่าเพื่อเผาป่าแต่ถาม่าตรงกันข้ามถ่าหยาดน้ำฝนที่ตกลงมาในป่าอนั้นเพื่ออะไรเพื่อให้ต้นไม้นั้นเจริญงอกงามและขณะเดียวกันก็ดับไฟด้วย ถ้าป่าไหนฝนตกชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลาไฟก็ไม่ไม่ไห ม, ไม้ไม่เผาฉันใดเมตตาทั้งหลายก็เปรียบเหมือนกับอัพยาบาศก็เหมือนกับน้ำฝนที่หยาดลงมาตกลงมาเกือกเออเราหวังความเกือกูลอุปการะต่อต้นไม้ฉันนั้นเนี่ยนะคำว่าอัพยาบาศเนี่ยนะหม้ถึงอะไรไม้ตั้งแต่การเจริญเมตตาเบื้องต้นจนได้ปฐมฌานอันนี้ก็เรียกว่าอพยาบาทวิตก นนะคิดให้ทุกคนมีความสุข น, น ะ, ะความคิดหวังประโยชน์หวังเกื้อกูลหวังให้เขามีความสุขความเจริญอันนั้นเป็นเมตตาแล้วก็เจริญอย่างเงี้ยเพิ่ ม, เ พ, มพพรรเพิ่มคุณภาพกุศลวิตกเพิ่มคุณภาพเมตตาเนี่ยนะจากเมตตาเล็กๆน้อยๆคิดให้เขามีความสุขเล็กๆน้อยๆนี่นหน่อ ย, อยๆจนถึงว่าเกิดบ่อยขึ้นเกิดมากขึ้นแพ่เมตตาเนี่ยนะกว้างใหญ่ไพศาลไม่มีเวรไม่มีศัตรู ไม่มีความคับแคบเป็นมหักรตะภัยบูร์กว้างขวางยิ่งยิ่งขึ้นไปเนี่ยนะอกุศลวิตกที่เป็นไปกับเมตตาอย่างนี้เรียกว่าอับพยาบาทวิตกไม่ใช่สักแต่ว่าไม่โกรธไม่ได้แปลว่าหลับเนี่ยนะแม้ว่าหลับก็ไม่โกรธเหมือนกันนะใช่ไหมหลับก็ไม่โกรธคิดเรื่องอื่นก็ไม่โกรธแต่ขณะเดียวกันตรงนี้เนี่ยอับพยาบาทแปลว่าเมตตาที่ทําลายความโกรธที่ดับความโกรธที่กําจัด ความโกรธแยกแยก่ออกเลยว่าพยาบาทวิตกคือความคิดที่ประกอบไปด้วยกับความโกรธอัพยาบาทคือความคิดที่ไม่โกรธคิดเพื่อให้โกรธกับคิดเพื่อเมตตาอันนี้มันต่างกันอยู่ก็แยกว่าไอ้การคิดเพื่อความโกรธคิดเพื่อเบียดเบียนคิดเพื่อทําลายอันนี้เป็นอกุศลการคิดหวังประโยชน์หวังเกื้อกูลหวังความสุขเป็นกุศลแยกออกแยกเห็นแล้วว่าอะไรควรเจริญควรละใช่ไหม ท่านก็แยกเป็นภาเวะประหาตปธรรมกับภาเวตปธรรมแยกว่าอะไรควรละออกไปอะไรควรกําจัดโดยส่วนเดียวอะไรเป็นเชื้อโรคว่างั้นเธออะไรเป็นเชื้อโรคอะไรเป็นพิษอะไรเป็นภัยอะไรนํามาซึ่งความน่ากลัวนี้ควรจะกําจัดออกไปอย่างไรเห็นแล้วว่าความคิดที่ประกอบไปด้วยโทสะเนี่ยนะมันกล่นอยู่ภายในหรือว่ามันทำรักออกมาก็ตามเถอะเป็นความคิดที่เลวร้ายคบไม่ได้เชื่อไม่ได้เพ่งไม่ได้ เป็นความคิดที่ควรกำจัดโดยส่วนเดียวตรงกันข้ามถ้าความคิดที่ประกอบไปด้วยเมตตาปรารถนาะความสุขให้แก่ตนปรารถนาะความสุขให้แก่บุคคลอื่นสิ่งนี้ควรเจริญเนี่ยนะเป็นเป็นกุศลเพราะไม่มีโทษให้ผลเป็นความสุขต่อต่อไปนี้ตรงต่อไปอีกบอกว่าส่วนความตรึกหรือวิตกที่ประกอบด้วยความไม่เบียดเบียน หรือความคิดที่ตัวกําจัดความคิดที่เบียดเบียนอันนั้นเป็นอวิหิงสาวิหิงสาเนี่ยแปลว่าความเบียดเบียนนะคิดเบียดเบียนเช่นจะต้องด่าเขาจะต้องทําลายเขาจะต้องนะสร้างความเจ็บปวดให้เขาเดือดร้อนที่สุดเท่าที่ตัวเองจะจะทําให้เขาเดือดร้อนได้แปลว่าค่อยแบบอะไรนะถ้าเบียดเบียนมากก็นั่นหมายต้องถูกเครียดมั้งต้องอย่างนี้ต้องเครียดเป็นร้อยทีแหละ บอกแมเคียนมันน้อยไปเอางี้เนี่ยว่าปาดเนื้อออกมาทีละชิ้นทีละชิ้นทีละชิ้นเนี่ยนะแปลว่าปาดเนื้อเอกมาทีละบาดดีกว่าอย่างนั้นหรือว่าแหม่ค่อยๆสร้างความเจ็บช้ำน้ําใจยังไงให้มากที่สุดเท่าที่เขาจะมากได้อันนั้นเป็นลักษณะของวิเหงสาคิดในเรื่อว่าถ้าตกนรกก็อย่าได้ผุดได้เกิดเลยเนี่ยนะตกอย่างนั้ น, นตลอดไปเนี่ยนะถ้าไปสู่อบายทุขติวินิบาตก็ไปให้ถาวรมั่นคงแน่นอนลักษณะความคิดนี้เป็น วิเหงานนะคือสัตว์ทั้งหลายเนี่ยที่เขามีทุกข์อยู่แล้วก็ไปเพิ่มทุกข์อยากให้เขามีความทุกข์ตลอดไปอันนั้นเป็นวิเหงาเป็นความเบียดเบียนส่วนกรุณาตรงกันข้ามเห็นนะว่าเขากำลังมีความทุกข์อยู่เขาจะพ้นจากทุกข์ได้อย่างไรขอให้เขาพ้นทุกข์เนี่ยนะขอให้เขาพ้นจากทุกข์พ้นจากอะไรเช่นพ้นจากโซกพ้นจากปริเทวะพ้นจากทุกข์พ้นจากโทมนั์พ้นจากอุปายา แต่ถ้าขาดความกรุณาเนี่ยถ้าขาดความกรุณาเนี่ยเขาไม่โศกทําให้เขาโศกเขายังไม่คร่ําครวญบ่นเพ้อทําให้คร่ําครวญบ่นเพ้อทําให้ร้องไห้เขาไม่ร้องไห้ทําให้ร้องไห้เขาสบายทําให้เขาทุกข์ซะเขาไม่ป่วยทําให้ป่วยเขาดีใจทําให้เขาเสียใจเนี่ยนะเขาสบายใจทําให้บีบคั้นกดดันที่สุดให้เขาเดือดร้อนที่สุดเท่าที่จะทําได้เนี่ยนะ เขาไม่ตกทุกข์ก็แปลว่าขอให้เขาตกทุกข์เป็นต้นอันนั้นเป็นลักษณะของการขาดการุณาหรือที่เรียกว่าวิหิงสาส่วนอวิหิงสาตรงกันข้ามเห็นความทุกข์ของคนอื่นแล้วมันทําใจไม่ได้พ่า ง, งั้นต้องการที่จะปลดเรื่องว่าทำยังไงเขาจึงจะพ้นทุกข์ทำอย่างไรเขาจะพ้นจากความโศกทาอย่างไรเขาจะพ้นจาก ความร้องให้คร่ำครวญบนเพอทำยังไงเขาจะพ้นจากความทุกข์ทางกายพ้นจากความเศร้าโศกและเสียใจทำยังไงเขาจะพ้นจากความคับแค้นใจอันนั้นเป็นเป็นอาวิหิงสาหรือที่เรียกว่าการุณาพานอาวิเิงสานั้นหมายถึงว่าการุณาตั้งแต่บเบื้องต้นจนถึงปฐมฌาน